เรื่องชีวิตเจรไนตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยถ้าจะขอเงินเพื่อการศึกษาจากเสด็จพ่ออภัยราก็ช่างจะทำได้แต่ว่าชีวกได้คิดแล้วว่าชีวิตเรานั้นเไ็่ไปด้วยหนี้สินแห่งบุญคุณที่รอดตายมาได้นี้ ก็เพราะพระคุณอันประเสริฐของพระเจ้าโจโหัวของอภัยราชถ้าอย่างนั้นเราจะต้องช่วยตนเองชีวกได้รักรอบออกจากนอกกำแพงเมืองแล้วก็ไปคุยกับพ่อขาเกวียนพ่อขาเกวียนด้วยมองเห็นแววของเด็กหนุ่มคนเนี้ยรูปร่างก็หล่อเหลาหน้าตานั้นเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยส ง, งาราศี ของคนมีบุญมีวาสนาแต่ทาไมหลานชายจึงบอกว่าเป็นลูกของคนจนอยากจะไปอยู่ตะ ก, กศิลาจะไปก็ได้ลุงจะรับช่วยแต่ว่าต้องใช้เวลานานหน่อยชีวกนั้นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงผมจะขอช่วย ง, งานคุณลุงตลอดไปแบกของขึ้นเกวียนแบกของลงเกวียนจากบ้านนี้เมืองโนนเรื่อยไป จนกว่าจะหาขายหมดจนถึงหน้าฝนชีวกได้เป็นลูกจ้างของพ่อ้าเกวียนโดยที่ลูกจ้างไม่ได้ได้รับจ้างเป็นลูกจ้างที่สมัครลูกจ้างอาสาสมัครและแต่จะได้หรือไม่ได้จากผิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับบ้านน้อยเมืองใหญ่นคะรแล้วนคะรเล่า ในที่สุดการค้าขายก็ได้สิ้นสุดลงเมือ่อฤดูฝนมาถึงพ่อหาเกวนก็กลับบ้านยังตักศิลาเมื่อไปถึงตักศิลาแล้วพ่อหาเกวียอก บ, บอกว่าชีวกหลานรักเมื่อความปรารถนาของหลานต้องการจะมาศึกษาสภาวิชาการที่ตักศิลาหลานอะาจะเรียนวิชาอะไรลุงจะเอาไปฝากให้แต่หลานจักต้อง ไปเป็นผู้รับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คูบาอาจารย์ปรารถนาต้องใช้ความอดความทนมากจึงจะได้รับวิชาความรู้เพราะเราไม่มีเงินมีทองชีวกดีใจและบอกว่าครับคุณลงุงเป็นพระคุณอย่างสูงที่คุณลุงได้อื้อเ้อนุเคราะห์ผมมาเสร็จแล้วลงวันนี้ก็เลยฝากพ่อค้าเกวียนได้ไปฝากถามชีวกว่าจะเรียนวิชาอะไร ชีวกบอกว่าอยากจะเรียนวิชาแพทย์ทำให้พ่อหาต้องมองหน้าทำไมเล่าขนนมน ม, นมร่างกายสมัดสงา่าองอาจงดงามอย่างเจ้าน่าจะเรียนวิชาฝ่ายทหารการฟันดาบการยิงธนูเพื่อจะได้รับราชการเป็นราชบุรุษอนาคตเหมือนจะไปเอียตไกลทำามเจ้าจึงอยากจะต้องมาเป็นหมอ การเป็นหมอต้องกุกที้อยู่กับขอนไขเวลาเจ็บไข้เด็กตัวเขาก็เรียกเห็นเราเป็นเทวดาแต่เมื่อหายแล้วเขาจะเห็นหมอเป็นหมาเพราะจะไปเก็บเงินค่าจ้างค่ารักษาเขาไม่เห็นจะน่าสนุกสนานอะไรเลยทำไมจะไม่คิดอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายทหารเป็นแม่ทัพขุนศึกอย่างนู้นชีวกยิมยิมเลอกว่าหลวงท่านคนเรามีทุกข์ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าหากเราได้ช่วยเหลือคนเรายามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยามอาภัพขับแขนก็นับว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อคนอื่นเราจะได้สร้างคุณงามความ ด, ดีตลอดผมปาถนาที่จะได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ไม่ปาถนาที่จะเป็นใหญ่เป็นโตคำสั่งสอนขออภัยราชผู้เป็นพ่ อ, อยันดังกึกก้องในหัวใจลกูกจักต้องเชื่อฝั่งพ่อ ให้สร้างตัวเหมือนดอกบบวที่พ้นจากโครนเบ่งบานมาพบกับความบริสุทธิ์เป็นที่เรียกร้องต้องการของผู้ปรารถนาไปบูชาพระตนไกรและบูชาเวกมหาษัตริชีวกจําได้เสมอและตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้เป็นเช่นนั้นพ่อขาเกวียนได้นำไปฝากกับอาจารย์โตเอยับที่เมืองตักศิลานั้นแล้ว ชีวคายันตื่นดึกลุกเช้าตักน้ำต้มข้าวผ่าฟืนเก็บผักสมัยก่อนไม่มีโรงสีเทคโนโลยีใหม่ๆมันไม่มีอยา่างนี้เสร็จแล้วก็ซักผ้าของนายทั้งของอาจารย์โตเถอยะของลูกของเมียนอกจากนั้นยังต้องซักผ้าขี่ตีผ้าอ้อมลูกของขุณขุนนายลูกของเจ้านาย ท่าทุกอย่างด้วยความเต็มใจอดทอนขยันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าขันติโกเมตวาลาภียัสสีสุกสีระวาปิโจเทวมนุษย์สานังมนาโปโหติขันติโกบุคคลผู้มีความอดทนและมีจิตใจเปี่ยมล้นไปได้วยความเมตตาบาลบุคคลนั้นจะได้พบจะครุ่งเรืองไปด้วยยศและความสุขและจะเป็นที่รัก ของเทวดาและมนุษย์ปโยเทวมนุษย์สานังเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์นายชีวมนี้ก็เหมือนกันเป็นที่รักของโม่มนุษย์ของนักเรียนแพทย์จากเมืองต่างๆซึ่งเป็นลูกพระเจาแผ่นดินบ้างเป็นลูกของกษัตริย์มหาศาลผร ม, มหาศาลทุกคนชอบใจชีวมซึ่งเป็นคนว่าง่ายใช้อะไรก็ได้วานอะไรก็ได้ ส่วนอาจารย์โตเอยะและภรรยาพร้อมน้องครอบครัวก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆงตื่นแดดดึกลุกแต่เช้าตําข้าวตักน้ําผ่าฟืนซักผ้าขี่ปีผ้าอ้อมทําหมดทุกอย่างถึงเข้าครัวทําอาหารชีบอกไม่ใครบอกทํางานทุกอย่างเมื่อเวลางานว่างอาจารย์ก็พาไปตัดต้นไม้มาทำยาไปขุดยา แล้วก็นั่งฟังอาจารย์จำเนตแตกยานี้แก่โลกโนโลกนี้แก่ลูกสิบจํจำนวนมากแอบฟังอยู่ข้างๆจำเจวันแล้ววันเล่าเมื่อเสร็จงานแล้วชีวกก็จะมาผ่ายายาต้มยาฝนยา้ารพัดอย่างตลอดเวลาเจ็ดปีชีวกโตเป็นนมอายุยี่สิบกว่าปีแล้วจ็ดปให้หลัง ชีวกคิดถึงพ่ออภัยราชคิดถึงชีวิตอันแสนจะอาพับขับแทน้นบางครั้งนอนอยู่คิดเดืดเดน้ำตาไหลคิดถึงหน้าแม่ซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นคิดเห็นหน้าหมาตัวไหนนอตาตัวใดเล่าที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราคิดแล้วชีวกน้ำตาไหลเรานี่เกิดมาเหมือนเยียดแผ่นดินผิดเหมือนฟ้าแช่งแผ่นดินสาบ ให้เกิดมาในโลกทำไมน้อชีวิตนี้ช่างอาภัพเหลือเกินคนอื่นเขามีพ่อมีแม่แต่เหล่านั้นไม่สามารถจะรู้จะเห็นว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เอออาภัพจริงนอชาตินี้คิดแล้วคิดเอกอยากจะรู้จักคนที่เป็นแม่เป็นพ่อจริงๆพร้อมกันนั้นก็คิดว่าสาธุ ข, ขอเทพเจ้าเบื้องบนสวรรค์ผู้มีทิพอํานาจหาคนแม่ คนพ่อยังมีชีวิตในโลกนี้ขอให้ขา้าพเจ้าได้พบหน้าสักครั้งหนึ่งจะได้ตอบบุญแทนคนและชีวิตขา้าพเจ้าขอจะเป็นผู้มีประโยชน์แก่คนอื่นให้มากที่สุดความปรารถนาของชีวมนั้นเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าและลถึงคําบอกเล่าของเสด็จพ่ออาภัยละเช้ามาได้ยินเสียงไกค่คันคืนนั้นได้นอนไปยีบเดียวเพราะความคิดหนักต้องลุกขึ้นมาตําข้าว ตักน้าและจะได้ไปตัดต้นยาแต่วันนั้นชีวกมันได้พบอาจารย์เตยมาแต่เช้ามืดผิดปกติมาตกที่บ้านในขณะที่ตําข้าวบอกชีวกลูกหลักวันนี้เจ้าไม่ต้องตําข้าวแล้วพ่อได้จ้างคนใช้มาจากที่อื่นให้เข้ามาตําข้าวตักน้าแทนเจ้าวันนี้พ่ออยากจะรู้ว่าเจ้าคิดอย่างไร เมื่อคืนนี้พ่อได้ยินเสียงเจ้าถอนหายใจเฮือกแล้วเฮือกเล่าเติดมาดึกๆพ่อกระได้ยนินชีวะบอกว่าพ่อครับเขาเรียกอาจารย์โทเธยียบวออ่พ่อเพเมื่อคืนนีน้นอนไม่หลับเพราะว่าคิดถึงบ้านครับเจดปีแล้วผมยังไม่ได้กลับคิดถึงคนพ่อของผมคิดถึงแม่ไี้ยากไร้เขากอบเกินวมา่าเขาเป็นลูกคนเด ป่านี้ท่านจะอยู่อย่างไรก็ไม่ทราบทั้งสองท่านเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นลูกเลี้ยงของพระเจ้าอะไรล่ะเออชีวคนอย่างเจ้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครก็รักแม้แต่เทวดาพ่อแม่ของเจ้าก็ค ง, งจะคิดถึงเจ้าแล้วก็คงจะสบายใจว่าเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีผิดมีภยัยเพราะเจ้าเป็นคนดีเอาเถอดชีวเจ้าอยากจะกลับบ้าน เจ้าเขาจะเด็กกลับในเมื่อเวลาอันควรวันนี้เมื่อสว่างแล้วเจ้ากินข้าวกินปลาแล้วจงเอาเสียมแล้วก็ไม่เดินเข้าไปในปา่าในเมืองตกศิลานี่ทั้งสี่ทิศไปหาต้นไม้ที่มันไม่เป็นยาเอามาให้พอนะชีวกชีวกก็รับคำหลังจะกกินข้าวเสร็จชีวกได้แบกเสียม พร้อมทั้งมีดเดินเข้าไปในป่าตลอดวันวันนั้นกลับมาด้วยมือเปล่าพร้อมกับเสียมและมีดมาว่าพ่อครับแต่พ่อไม่ปรากฏว่าต้นไม้ต้นใดที่ไม่เป็นยาในป่าเ น, นี้ยเอออาญาโตวเวออยาชิ้มเอาเอชีวกพรุ่งนี้ไปหาเองชีวกได้ไปหาอยู่อย่างนั้นตั้งเจ็ดวันทั้งสี่ทิศ ไม่มีต้นไม้ต้นใดที่จะไม่เป็นยาว่ากันว่าต้นไม้ทั้งหลายร้องเรียกบอกชีวว่าต้นฉันเป็นยาไอหนอนเปลือกฉันเป็นยาไอหนึ่งรากฉันเป็นยาแก้โรคโน้นดอกฉันเป็นยาแก้โรคนั้นเมนล็ดฉันเป็นยานั้นใบฉันเป็นยานโน้่นต้นไม้พูดเป็นความจริงนั้นเป็นเรึ่งเปรียบเทียบทางด้านจิตใจหมายของว่าชีวว์โดยจําเจขยันสังเกตเชื่อฟัง จึงรู้ได้หมดว่าตอนไม้ทุกชนิดจะต้องเป็นยาไม่รู้จักชื่อเพียงแต่เอาเด็ดเอาใบามาขยี้ขยีดมดูกินหรือจะถากดูยางเอาลิ้นแกะดูก็สามารถจะรู้เลยว่าอย่างนี้แก่โลกไอโนอนอย่างโน้นแก่โลกไอนี่ถ้าได้กึงโยคาริตัดก็ต้องบอกว่าอย่างนี้แก่โลกวัดอาจารย์ต้องการจะทดสอบความรู้เหมือนกับสอบแบบวิทยานพิพนจึงมาไหวาจีบก เตแล้วเจ้ากลับบ้านได้จากวันนี้ไปเจ้าจะได้กลับบ้านพอถึงพรุ่งนี้มาชีวกก็ได้กลับบ้านพร้อมทั้งเงินสองสองกหาปณะที่อาจารย์มอบให้และอาจารย์ได้สั่งว่าชีวกเจ้าจงใช้วิชาอย่าให้วิชาใช้เลำชีวกน้อยใจมากเจ็ดปีที่อยู่รับใช้ทุกอย่างให้เงินสองบาทโอ้ ชีวิต น, นี้ช่างอาภัพจริงหนอเหมือนกับโลกลหลอกไม่มีใครจะเห็นใจเราเลยชีวกเดินออกจากเมืองพร้อมกับน้ําตาเดินออกจากบ้านอาจารย์ก้นน้ําตาเอาไว้และลึกถึงคําพูดอาจารย์ว่าเจ้าจงใช้วิชาอย่าให้วิชามันใช้เจ้าชีวกและลึกถึงคําของคุณพ่อเอาไหราชจงทําตัวเหมือนดอกบวกัวและราลึกถึงคําสอนของอาจารย์ว่า จงใช้วิชาอย่าให้วิชาใช่หรอชีวะเป็นผู้เชื่อฟังทั้งพ่อทั้งครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาที่ฟังอยู่ในขณะ น, นี้เราจะต้องเป็นบุตรที่ประเสด็จคือเชื่อฟังพ่อแม่และเชื่อฟังครูบาอาจารย์ของกันนั้นต้องเชื่อฟังพระสงองค์เจ้าอย่างนี้จะเป็นบุตรที่ประเสริฐเรามาดูชีวิตของชีวะต่อไปนักเรียนเหนื่อยหรือยังทํา ไ, ไม่เหนื่อยคือใครไม่เลยนะอ่ะต่อไป ชีบอกก็เริ่มเดินทางกลับบ้านสองวันเงินก็หมดไปตแต่เกิดมาไม่เคยขอทานซื้ออาหารกินก็หมดน้อยใจอาจารย์ช่างใจดำเลิศกันให้เงินก็น้อยวันนั้นก็ไปถึงเมืองสาเกตวันที่สามชีบกอกหิวข้าวไม่มีอะไรจะกินไม่รู้จะทํายังไงจะไปขอเขากินก็ไม่นา่าพอ่อคาวานิจการซื้อขายกำลัง พุ่กันอยู่ในเมืองในตลาดสาเกตชีวกมองอาหารที่เขาวางขายเกินน้ําลายอยากจะกินก็อยากเงินก็ไม่มีจะไปข้อกินก็ไม่เคยขอใครกินแล้ลึกถึงคําอาจารย์ว่าเจ้าจงใช้วิชาอย่าให้วิชามันใช้เจ้าอย่าให้วิชามันใช้เราก็เลยมันนึกได้ว่าใครเนอจะเจ็บไข้โดยป่วยกันบ้างเนอะเมืองนี้เนอะอยากจะรักษา พอได้แลกข่าวกันมาเลยในขณะนั้นเองสองคนกำลังคุยกันอยู่ว่าแม่ถ้าหากเราได้พบหมอดีๆเราจะได้งเงินใช้ฟรีๆเนื่องจากเมียเศรษฐีปวดท้องมานั้งเจ็ดปีแล้วรักษาไม่หายโดยนี้ประกาศว่าผู้ใดสามารถนำหมอไปรักษาให้เขาจะให้ค่าไหนน่ะเพื่อนเคยเห็นหมอที่ไหนบ้างในขณะที่เขาคุยกัน ชีว์ก็เหียบหูฟังได้ยินเขาคุยกันถนักก็เดินเข้าไปยกมือไว้หวัดดีครับพี่ชายเมื่อกี้พี่คุยอะไรกันเขาบอกว่าเออน้องชายเราคุยกันเรื่องคนไข้เป็นเมียเศรษฐีในเมืองนี้เขาบอกว่าตาบูได้เห็นหมอดีๆให้นำไปเขาจะให้ค่านายหน้าที่นำไปเพราะเจ็ดปีแล้วที่เขาปวดท้องไม่หายชีวกบอกว่าพี่ทัง พาผมไปหน่อยครับผมจะรักษาทั้งสองคนมองหน้ามูอย่างไม่เชื่อในตาโดนหน้าหมอและยังน่มเลิกกันตามปกติหมอจะต้องมีห อ, อยาคือหมอโบราณจะต้องมีหอรากไม้อันนี้ไม่มีอะไรไม่อยากจะเชื่อก็ถามอีกวา่าพอหนมน้อยจะพูดจริงหรือไหนห อ, อยาของเขาบอกพี่ครับพาผมไปเถอะเรื่องยานั้นเดืองเล็ก พรมหาที่นี้ก็ได้ขอให้ดิผมได้รักษารับรองว่าต้องหายแมมเก่งก้าเหลือเกินทั้งทั้งที่ไม่เชื่อก็ต้องพาไปไปถึงเมียเศรษฐีมองหน้าหมอแล้วก็เอาเงินสองร้อยกะหาปัะนะมอบให้คนพาแล้วก็บอกว่าท่านทั้งสองได้เสียเวลาที่พาหมอหนมนมฟันยังไม่สิ้นกินน้ำนมมาหาข้าพเจเอาไปคนละร้อยกะหาปันะ แล้วก็พาหมอกลับไปด้วยขนาดหมอจากที่สา ป, ปามอกใหญ่ๆ ย, ยังรักษาไม่หายหมดเงินมาซะ ก, ก็มากยาที่เขาเอามารักษาเนี่ยหลายกระเซอร์เกลแล้วกลับไปเถอะส่วนชีวะบอกว่าคุณนายครับผมขอรักษาฟรีๆจะไม่ขอเอาเงินเอาทองให้ผมรักษาเถอะช่วยบอกอาการให้ผมฟังผมรับรองว่าหายและผมขอสัญญาว่า จยากไม่เอาอะไรขอเพียงได้กินข้าวก็พอไปเถอะพ่อหนุ่มท่านอย่ามาหลอกเราเลยคนยังเจ้านะฟันยังไม่สิ้นกิบ น, น้ํานมจะมารักษาอะไรแม้แต่ยาสักลากเดียวก็ไม่มีเธอครับคุณนายให้ผมรักษาเธอฟ ร, ฟรีผมจะไม่เอาเงินขอเพียงกินข้าวและสุกหัวนอนได้ดีสักคืนในขณะที่ มีเศรษฐีนอนป่วยกำลังพูดกับชีวกระนั้นเสียงพูดอันแจ่มใสและนิ่มนวลก็ดังขึ้นข้างหลังว่าคุณแม่กะให้เขารักษาเถอชีวกระได้ยินเสียงนั้นเหมือนกับจะบาดเข้าไปในหัวใจมองกลับไปตามเสียงนั้นก็เห็นหญิงสาวรุ่นดารุณีซึ่งสวยงามมากสมกับเสียงที่พเราะสวยจริง นั่นคือลูกสาวของเศด็จเถีดนี่เสด็จกะวะ่ามาเลนีเป็นความปรารถนาของลูกอย่างนั้นเลยจะเสด็จแม่แม่ให้เขารักษาเถิดเผื่อว่ามีบุญเมตวาศาสนาได้เคยรักษาการหายมาก่อนอาจจะดีร่างเนื้อชอบราอ่างยาชีวะก็มีใจเชื้อขึ้นมาเอา้าถ้าเป็นความปรารถนาของลูกก็ตามใจหลังทีนั้นชีวะก็บอกว่าคุณนายครับช่วยเล่าอาการให้ผมฟังเถิด แล้วผมจะได้ไปหายาอยู่ ใ, ใกล้ๆางเนี้ยเราอาการให้ฟังว่ามันปวดแน่นเหมือนกับเป็นก้อนเป็นเทาอยู่ตรงนี้เจ็บไปแล้วทารวดมาหนักๆนอนไม่ได้ต้องนั่งเหมือนกับว่ามันจะบมีต้นมีตัวในท้องจะทะลุทลวงออกมาเอาละครับผมรู้แล้วขอ<ด> เ, เวลาสักหน่อยนะครับถ้าหากท่านไม่ใจดําจนเกินไปวันนี้ตะวันบ่ายแล้วตั้งแต่เชา้ามาผมไม่ได้กินอะไรเลย ผมจะเดินทางกลับบ้านชื่อราชคือผมมาจากตากาเซราไม่มีเงินมีทองสักบาทผมขอกินข้าวสักข้าบหนึ่งสักมื้อหนึ่งก่อนที่จะไปหายาพอจะได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แต่ต้องรักษายฉันหายก่อนจึงจะกินได้แหมใจเฉื่อยใจดัเหลือเกินชีวกรกกลมนะฮะขอเวลาไปหายาประมาณสักครู่หนึ่งชีวกรกกลับมาพร้อมกับยาแล้วก็บอกว่า ขอโทษครับยานี้จะต้องใสน้ามันเนยใสผมขอน้ำมันเนยสักหน่อยได้ไหมครับเมียเศรษฐีมองคอนและบอกว่าเป็นหมอยาจะต้องมียามาเองซิทำไมจะต้องมาเอาที่นี่แหมวันนี้เราได้เจอแม่ยอดตังใหม่เข้าให้แล้วีเดียวเลิกเกินถ้าหาักษาหายได้กินข้าวสักคาบหนึ่งก็จะขอลาไปไกลไกลไกลห่างจากคนเจิดเจดเํา ชีวกน้ำตาตกในอย่างนั้นแต่มาเลนีซึ่งอยู่ใกล้จะบอ ก, บกบคนแม่ค่ะให้เขาเถิดเพราะว่าเขาไม่มีจริงๆและเมียเศรษฐีก็บอกคนชายมาเอาน้ำมันเนยมาชีวกทํายาประกอบด้วยน้ํามันเนยปรากฏว่าในขณะนั้นชีวกหิวข้าวจัดมือไม้มันสัน่นทําให้น้ํามันเนยนี่หกลงไปกับพื้นเมียเศรษฐีมองตาเขียวบอกคนใช้ว่า เอาสำลีมาชุบมาชุบเอานน้มันเนยที่มันหกนี้แล้วก็บีบคืนไว้อีกที่ขวดหนึ่งเห็นไหมสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วอ๋ อ, อ, อ, อชีวบอกใจแท่จริงจิงมีหน้าเล่าถึงต้องเป็นเศรษฐีเพราะความคิดเดียวถึงแม้เรารักษาหายเราก็คงไม่ได้เงินถึงแม้เราจะเอาเราก็คงไม่ได้เราขอกินเพียงข้าว ในขณะที่ชีวประกอบยาจู่นี้ต้องหยิบรากโน้นรากนี้แตาก็ว่ามีผู้ช่วยหมอผู้ช่วยพยาบาลคนสวยอยู่ข้างๆคือมาลินีช่วยหยิบไอโนนหยิบไอ้นี้ช่วยตักน้ำมาให้แล้วชีวกก็ให้ยากินให้ยากแก่มีเสถียร์กินแล้วก็บอกว่าผมจะต้องรอคอยเฝ้าดูอาการของไม่นานสักห้าจะตายมีเสถียีบอกว่ามาลรนีลูกหลัก ช่วยบอกคนใช้ไปจัดที่กระท่อมในก่ารสวนหลังบ้านให้เขาพักหน่อยชีวบอกว่าผมอยากจะอยู่ที่นี่เพื่อจะเฝ้าดูอาการไม่ได้แต่ไปพักในกระท่อมดีกว่าไม่ให้พักแต่ประสาทชีวะก็ประกอบยาขึ้นมาอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็บอกมาเลนีว่าคุณครับในเมื่อคุณแม่ของคุณกินยานี้ลงไปไม่นานนักก็จะง่วงนอนแล้วก็จะหลับ เมื่อหลับประมาณสักครู่หนึ่งก็จะเตินขึ้นมาอาเจียนออกมามากคุณจะตกใจเมื่ออาเจียนออกมาหมดแล้วคุณก็เอาอยาถ้วยนี้ให้เก็บแล้วโรคนี้ก็จะหายเป็นติดทิง้งคุณจำได้ไหมบอกว่าจำได้แล้วชีวกก็เดินตามคนใช้ไปนอนอยู่ที่กระท่อมรอฟังอาการพร้อมด้วยความหิวโหอยอยู่ในท้อง สัาพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงรากเสียงอาเจียนออกมาเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในท้องนั้นหลากหลงังไหลออกมาจนหมดนมีเศรษฐีคิดว่าบัดนี้เราคงโดนยาเบื่อยาพิษให้ตายแน่ๆเขาก็นั้นก็บอกมาเรนีเอ๋อมอชาวเล่มันไปไหนมันจะมาเบื่อไม่ให้ตายหรือยังไงบอกไม่เป็นไรหรอกแม่เขาบอกไว้แล้วว่านอนเตอขึ้นมาจากราก แล้วให้กินยาถ้วยนี้เมื่ออาเจียนออกหมดปาก่อนว่าในท้องนั้นเป็นเป็นก้นเป็นตัวเป็นยุ้งเป็นใดออกมาหมดเลยเชื้อพยาธิเริ่มอยู่ภายในว่ากันว่านั้นคือมะเร็งในกระเพาะคายหลากกวอนไหลออกมาจนหมดเสร็จแล้วก็กินยาถ้วยที่สองอาการเหมือนกับเอาน้ําแข็งไปแช่ในท้อง เย็นหายเป็นปิดทิ้งไปหมดเลยเหมือนหมอวิเศษเหมือนยามะฮวสดุดเป็นปิดทิ้งก็อบอกว่ามาเลยหีโรคหลักลหมอคนนั้นไปไหนไม่หายเหมืกับไม่เป็นอะไรเลยดีแท้แท้ยานี้วิเศษแท้แท้ไปตามหมอมาเสร็จลูกมาเลยหีได้ไปตามหมอชีพกมาบอกคุณหมอครับคุณไม่หายแล้วขึ้นไปประสาทขอบคุณมากนะครับคุณหมอดีเหลือเกิน ชิวโก็บอกว่าไม่เป็นไรหลอกครับผมก็ดีใจที่คุณแม่ของคนหายขึ้นไปเยี่ยมเป็นยังไงครับคุณนายหายดีหรือยังบอกคุณหมอเหมือนกับเทวดาฉันหายเมือนกับไม่เป็นอะไรเลยหาข้าหวหาปลาหาอะไรมาให้หมอกินในเมื่อกินอิ่แล้วชิวโก็บบอกว่าคุณนายครับ คืนนี้ผมจำเป็นจะต้องขอพักนอนค้างแรมที่กระท่อมนี้สักคืนเพราะตอนนี้ตะวันเกือบจะตกดินแล้วผมไม่สามารถที่จะเดินทางต่อพรุ่งนี้ผมจึงจะขอลาเมื่อเศษฐีบอกว่าไม่เป็นไรท่านยังกลับไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องอยู่กระท่อมมาเลนีลูกหลังช่วยจัดห้องแล้วก็เตรียมอะไรต่างๆให้แกคุณหมอของเราได้พักอยู่ที่นี่นานๆ ก็ได้ไม่ใช่เฉพาะเคินหนึ่งจะอยู่ที่นี่เท่าไหล่ก็ได้ยินดีต้อนรับขอให้นึกเสื่อว่าบ้านนี้เป็นบ้านของคุณหมอก็แล้วกันชีวอกใจชื้นขึ้นมาแต่ก็คิดว่าพวกนี้ต้องเดินทางกลับเพราะคิดถึงงินพ่อพร้อมกันนั้นมาลีนีคนสวยก็จะไปจัดที่หายชีวอกก็ได้พักในขนาดเดียวกัน อวีนห้า้อยเล่มของผัวเศรษฐีก็ได้เดินทางกลับพร้อมทั้งพี่ชายเข้ามาเลยนี่กลับมาก็ได้ข่าวดีว่าเมีย น, นั้นได้หายเหมือนกับปิดชิงเพราะได้หมอวิเศษมารักษาโอ้ยตอนนี้ก็เลยดีอกดีใจใหญ่เศรษฐีมอบเงินให้เจ็ดพันกะหาปณะนะลูกชายเจ็ดพันลูกสะพ้ยเจ็ดพัน ลูกสาวมาลลนีมีเงินก็มอบให้อีกเจ็ดพันพร้อมกับตัวเมียเซธีอีกเจ็ดพันฟาดเข้าไปตั้งหกเจ็ดแล้วต่างคนก็เจ็0พันเจ็ดพันเจ็พันได้เงินไปตั้งเยอะแยะได้ตั้งสี่หมืนกว่ากหาปณนะนับว่าเป็นเงินจำนวนมากทีเดียวในคืนนั้นชีบกได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีงาม พร้อมทั้งเศรษฐีและลูกชายเศรษฐีและมาเลยนี่บอกว่าพรุ่งนี้ผมก็จะต้องเดินทางต่อไปผมไม่ปรารถนาอยากจะได้ทรัพย์ที่ท่านมอบพายผมได้บอกกับคุณนายแล้วว่าผมขอรักษาฟรีเพียงได้กินข้าวสักมื้อหนึ่งเพราะผมเดินทางมาไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินต้องการจะเดินทางกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ที่อากรุงราชคฤห์ ว่ายัางงี้อ๋ออย่างนั้นไม่ได้ท่านจะต้องรับเงินจำนวนนี้พร้อมกันนั้นที่กรุงราชคฉลินั้นท่านยังไม่ต้องรีบร้อนกลับอีกสามวันข้นางหน้าจะมีงานนักขัตตเลิกที่เมือง น, นี้ท่านจะต้องอยู่ที่นี่ซะก่อนบอกจบไม่ได้หรอกจะต้องกลับมาเลยนี่คนสวยก็อ้อนวอนบอกคนหมอคะ่ะอย่ารีบร้อนกลับเลยคอยดูงานนักขัตตเลิกที่นี่ มีความเป็นอกสนานมากเป็นงานรื่นร ง, งเขาจะจุดประทีปโคมไฟสว่างสวัยไปทั้งคืนตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเธอน่าคุณพ่อคุณแม่ก็ขอร้องและโดยเฉพาพ่อย่างยิ่งเห็นแต่ดิชันมาลินีอีกคนหนึ่งที่ต้องการให้คุณหมออยู่ที่นี่นานๆถ้าคุณหมอจะจากไปวันนี้คนไข้คนใหม่จะเกิดขึ้นแล้วใครเล่าจะรักษาคำพูดหวานๆได้เตะขึ้นจากใจชีวกก็พวั ใครจะไข้เอกเล่าไข่ใหม่หรือไข่เก่าผมรักษาหายแล้วผมก็ยังค้นไข้ที่กําลังยืนพูดอยู่ตรงนี้จะไข้ใจอย่างหนักเมื่อคุณหมอจากไปใครจะรักษารักษาหายด้วยการโยที่นี่ได้เห็นและได้ยินคำพูดก็เหมือนยาแม้ปากหวานเหลือเกินชีวะก็จนใจตั้งหยอในขณะที่อยนั้นก็พากันไปเที่ยว ไปเที่ยวที่ซุ้มลัดดาวันที่เรือนยอดเทวาไรริมฝั่งแม่น้ำและเมืองนี้เป็นเมืองคนสวยมาเลนี่เคยเล่าสั่งว่ชิบกเธออยากจะฟังอะไรไหมฉันจะเล่าให้ฟังบอกอยากฟังสิทุกสิ่งทุกอย่างที่ดังออกมาจากปากของเธอนั้นฉันยินดีที่จะรับฟังและพอใจอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่น่าฟังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเสียงอันไพเราะของเธอนั้นฉันฟังไม่เบื่อเลย ปากหานเล่าเกินน้าเชวิชว์ที่นี่นะเป็นที่ประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยมีคนสวยมากชื่อว่าวิสาขาได้ไปอยู่ที่สาวัติเขาเป็นคนสวยพร้อมทั้งเตริยามารายาดวันหนึ่งเขาได้มาอาบน้ําที่แม่น้ํอาอจิรวัติแห่ ง, งนี้พร้อมทั้งคนใช้จํานวนมากแล้วขณะที่เขาขึ้นมาพร้อมด้วยความสวยคนใช้เขาวิ่งอย่างรื่นลมแต่เขาไม่วิ่งเขาค่อยๆเดินมา ปาคิดว่าพามาจากสาวัตถีได้เห็นความสวยและกุริยา ม, มารยาจ ก, ก็เลยทํามว่าน้องหญิงเป็นใครมาจากไหนก็บอกว่าเป็นบทของเศรษฐีที่นี่ทําไมเมื่อเพื่อนเขาวิ่งเธอจะไม่วิ่งลราเพราะว่าหมอ่อมชั้นตัวชั้นเป็นผู้หญิงมีความสวยความงามเป็นคุณสมบัติถ้าเกิดวิ่งไปหกล้มขาหักขาแพลงอะไรต่างๆพ่อแม่ก็จะเสียใจเราก็จะเสียใจผู้หญิงวิ่งย่อมไม่งาม มือกับช้างฟราลาชาวิ่งย่อมไม่งามพระสงฆ์องค์เจ้าสมณพามณ์ประดับประดานุ่งคม่มข้ากาสาวาพั์แล้ววิ่งก็ไม่งามฉันใดก็ฉันนั้นฉันจึงไม่ควรวิ่งความสวยของนางและเกเรยามารยาทพร้างพร้อมด้วยความรู้เหมือนอ่าพรทิพ น, ทน่ากีรันกนกนกั่นแหละก็เลยเป็นที่ประทับใจทำให้าาพามณ์เนี่ยเป็นเล่าให้เศรษฐีถี่เมืองสาวธีทราบ สาวถีก็เลยได้นำมาโู่ขอบัตรนี้วิสาขาคนสวยนั้นได้ไปอยู่ที่สาวัถีแล้วเสียดายนะชีวกเธอไม่ได้เห็นความสวยของวิสาขาแต่วิสาขาก็แก่แล้วก็คงจะเห็นแต่รอยจะาฤกษว่าตรงนี้แหละตรงซุ้มรดดาวันนี้แหละมันเป็นความโชคดีของพามและเศรษฐีที่ได้พบวิสาขาแล้วก็ ได้สู่ขอแต่งงานแต่ฉันได้พบคนสวยแห่งสาเกยิ่งกว่าวิสาขาอีกอยู่ตรงนี้ไงเล่าอยู่ใกล้ใกใครเล่านาะชีวกตฉันอยากรู้คนสวยของเธอใครจะยิ่งไปกว่าวิสาขาช่วยบอกฉันได้ไหมบอกก็ได้คนนี้นี่ไงมาลินีนี่ไงสวยยิ่งกว่าวิสาขาอีกฉันจะจากเมืองนี้ไปเพียงร่างกายเท่านั้นแต่หัวใจของฉัน คงจะต้งตกล่อนอยู่ที่เรียนยอดเทวาไหลซุมละดาพันริมฝั่งแม่น้ำอจิรป ะ, ะเดงมาเลนีฉันไม่อยากให้โลกนี้หมุนไปมีวันพรุ่งนี้วันมะเรนนี้อยากให้โลกหยุดหมุนอยุดตรงนี้และเธอกับฉันจะได้อยู่ที่นี่ตลอดชั่วนิรันดร์ฝากวานเลือเกินนะชีวกอันความรักนั้นทำให้คนเป็นนักกวีก็ได้ ฉันเลยก็ฉันนั้นความรักทําให้คนเป็นนักต๋เวความจนทําให้คนทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่ความเพ่งพินิษฐพิจรารณาด้วยจิตเป็นสมาธิทําให้คนเป็นบัณฑิตและเป็นนักปราชญ์ได้เอาล่ะนักเรียนนิสิตนักศึกษาทั้งหลายเรื่องของเรื่องก็คงจะไม่จบเพียงแค่นี้เก็บวันให้หลังชี บ, บุกได้จากสาเกต พร้อมทั้งทิ้งดวงใจอันสเสน่หาอาลัยและความรักไว้ที่สาเกตก่อนที่จะจากไปเฟธีได้ทราว่าการจากไปของชีวกนั้นได้จากไปพร้อมกับความคิดถึงของตนเองว่าชีวเป็นคนมีเพื่อนคนก็เลยได้มอบสิ่งของผพพ้าผ่อนเงินทองเครื่องใช้ไม้ส้อยทั้งหมดหนึ่งร้อยเล่มเกวียน เพื่อเป็นรางวัลที่รักษาให้หายชีวกได้จากไปในคืนที่จะจากไปคืนนั้นเดือนตำดาวตกแล้วชีวกนอนเกือบจะหลับก็ได้ ย, ยินเสียงเคาะประตูเปิดประตูออกไปก็ได้พบมาเลนีม า, าเธอไม่ฝันไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงทั้งสองคนในคืนนั้นได้เกือบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับสองชีวิต แต่มีจิตใจอันเดียวกันแนบชิดสนิทกันบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติฉันไม่อาจลืมฉันจากไปแล้วฉันจะกลับมาอีกส่วนมาลีดีนั้นบอกว่าฉันจะรอคอยนับตะวันกันทารอคอยการกลับมาของเธอไปแล้วอยจะไปรับให้มาลีนีอยู่ที่นี่หัวใจแตกสลายเพราะการจากไปของเธอเธอนาไม่มีวันที่จะลืมเลือนนอกจากความตายเท่านั้นที่จะพัดพาจากกัน เมื่อเสียงดววววออกมาจากสมทุมผู้ไม้ริมฝั่งแม่นม้มอจรวัดเดเสียงไก่ขันแต่ชั้นจวนสว่างขึ้นมาหมูปักษินชาติวี่หกนกกาส่งเสียงร้องชีวกได้กลับเข้าห้องมาเลนีกับสุบัทรทมเมือก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความรักมักเป็นเช่นนี้เสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นชีวกก็ได้จากมาเลนีและสาเกะถึงราชคฤห์ อีกสามวันต่อมาพระเจ้าอภัยราชกุมารดีอกดีใจที่ได้พบชีวกกลับมาชีวกมอบสิ่งของหนึ่งร้อยเร่มเกวียนเป็นเครื่องตอบแผนบุญคนเอาไยราชื่นชมดีใจเอามือจับบาไลาของชีวลกลูกหลักพ่อคิดว่านกกระวาที่ไขรไว้ให้แม่กาฝักเมื่อแม่กาลงรักนึกว่าลูกในอุทธรข้าบเอาข้าวมาเผื่อข้าบเอาเหยื่มาป้อน ถนอมไว้ในรังนอนซ่อนเยื่อมาให้กินนึกว่าลูกนกกบาบอวจะเม้นสาบแม่ของมันแล้วก็บินจากไปเหมือนอมตะเล่าให้ฟังแต่กบาบอวตัวนี้ไม่เป็นกบาบอวเนเธร์คนจากไปตั้งเจ็ดปียังกลับมา อ, อ๋อฉีวอกลูกหลักประเสริฐแท้ไม่มีวันที่ลูกและพ่อจะพัดพากจากกันสเสด็จพ่อหม่อมฉันไม่สามารถที่จะจากสเสด็จพ่อไป เจ็ปีก็เหมือนเจ็ดวันที่หมอมฉันคิดถึงเสด็จพ่อแต่ว่าเสด็จพ่อครับมีสิ่งหนึ่งที่หมอมฉันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หัวใจของหมอมฉันได้หล่นหายที่สาเกและก็เล่าให้ฟังลรกหลักไม่เป็นลายหลองดวงใจของลูกจะต้องมีความสมปาารารถนาพ่อจะไปสู่ขอมาให้ แต่ตอนนี้ทำใจให้ดีๆปรากฏว่าชีวกได้ทำตนเองให้ปริษัทมากจากกระท่อมหลังเล็กๆของคนยากจนหมาข้าวไม่สุดทาจนถึงกับพระราชวังอันรูหลาของพระพเจ้าจักรพรรดิพิมพสารเที่ยวรักษาคนไข้ทุกค น, ค, นค่อนข้างเจ็บป่วยหายเป็นปิดทิ้งเรียกร้องหาหมอเทวดาคนยากจนรักษาฟรี คนมีเงินทําบุญเข้ามาชีวกดิ์มอบเป็นเงินล้วงเป็นเงินอายบํารุงแผ่นดินเหลือไว้เป็นของตนเองน้อยไปซื้อสวนป่ามะม่วงเอาไว้แล้วก็เข้าวัดฟังธรรมสร้างโรงพยาบาลที่สวนมะม่วงขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลสงแห่งแรกเรียกว่าชีวอัมภวันนิมนต์พระสงองค์เจ้าจากทิศทั้งสี่เจ็บไข้ได้ป่วยจงมาที่นี่ถ้าบางครั้งชีวก ขณะที่รักษาคนไข่อื่นถ้าได้ทราบว่าพระสงฆ์เป็นไข้จะรีบปล่อยมือจากคนไข่อื่นรีบไปรักษาพระสงฆ์คําไม่ยืนคืนไม่อยู่ฝนตกฟ้าร้องแข่งไปถ้าหาพระสงฆ์เป็นไข้ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยกล่าวว่าถ้าผู้ใดต้องการจะรักษาปฏิบัติอุปัถาพระพุทธเจ้าจงอุปฏิจงอุปัถาพระสงฆ์ผู้เป็นไข้เถิดชีวกชื่นใจในโทษฐานแห่งบุญที่ตนเองได้กระทำ จากวันนั้นลบเหลือศูนย์ใครที่เคยพูดว่าลูกในกองขยะคนจันทรนบัตรนี้แต่ละปากเรียกร้องหาชีวกเหมือนเทวดาพระเจ้าถึงพิสารก็ถือให้เป็นหมอประจำตัวพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นหมอประจำตัวเมื่อถูกพระเทวทัตติ้งก้อนหินมาสส่ก็หมอชีวกคนนี้แหละรักษา เรื่องของเราจะต้องพูดเร็วกันมากดีกว่านี้และในขณะนั้นเองด้วยบุญบารมีที่ชีวกได้เชื่อฟังคำของอาจารย์และเชื่อฟังคำของพ่อซึ่งไม่ใช่พ่อมงเกิดเก้าเมื่อกี้หลวงอาพูดว่าลูกพี่ประเสรคือลูกที่เชื่อฟังชีวกนี่เป็นแบบอย่างเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังครูบาอาจารย์ และในที่สุดความประเสริฐของชีวกก็สำลีผลที่ปราถนาอยากเห็นตอนบ่ายวันหนึ่งชีวกได้เดินเข้าไปในละแวกบ้านของคนยากจนเพื่อจะไปรักษาคนไข้อีคนในขณะนั้นเองชีวกได้ยินเสียงร้องไห้คล้ามครวรปริเทวนาการอย่างเจ็บปวดร้าวชีวกได้มองไปดูเสียงร้องไห้ตามเสียงร้องไห้ ก็เห็นคนกําลังหามศพของคนตายคนหนึ่งลงจากบ้านเสียงร้องไห้ของเจ้าของบ้านเมื่อหัวใจจะแตกสลายอีกประมาณสักครู่หนึ่งต่อมาเสียงร้องไห้นั้นก็หยดุดแต่กลับได้ยินเสียงคนร้องเส้นแสแลงงไปหมดว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วลชีวกรีบเดินจ้ำอ้าวๆ ไปอย่างที่เกิดเหตุไปเห็นผู้หญิงวัยประมาณห้าสิบปีคนหนึ่งเธอได้สลบอยู่บนเรือนทำกลางไทยมุงดูยกร้องเรียกหลอนลั่นว่าสาลวดีสาลวดีสาลว ด, วดีเสียงร้องหลอนนั้นเพื่อปลุกสํานึกและสติสัมผัจัญญาของหลอนผู้นอนสลบสลายหล่อนคิดถึงลูกสาวชื่อสลิปมาซึ่งตายจากหล่อนไป เขาหามลูกสาวลงจากเรือนหลอดร้องไห้จนสลบได้ทราบว่าหลอดร้องไห้เพราะลูกสาวของหล่อนตายจากไปลูกสาวของหล่อนเป็นคนสวยมากชื่อสลิมาและเป็นนางโซเพณีผู้หญิงงามเมืองผู้หากินด้วยการบำเพลยชายค่าตัวคืนละหนึ่งพันกหาปันนะของกษัตริย์มหาสารผ่ามหาสารในแว่นแควนต้องมหานาก กำลังสวยกำลังงามและกำลังเป็นเงินเป็นทองแต่หล่อนผู้เป็นโลกก็ตายจากไปส่วนผู้หญิงอายุประมาณห้าสิบปีนี้ดูวิแววแห่งความสวยก็ยังสวยอยู่มากแต่นางก็ได้สลบทีวกเดินเข้าไปได้เอายาหอมเอาอะไรไปใส่เพื่อให้นางฟื้นกันมาเฉียงแวแ บ, บแรกขณะสายตาของนายแพทย์หนุ่มชิบ ก, ก, กับสตีคนไข้ ได้ประสบประสานกันราวก็ว่ามีมนวิเศษแสนคังสาบสกดให้คนทั้งสองชัะเยือเชื่อครู่ความรู้สึกอันลึกซึ้งประหลาดราวก็เป็นอารมณ์แห่งความฝันข่าวปกคลุมดวงจิตสมชัชญะอันงรืนลางของนายแพทย์น้ำปรากฏว่า มีภาพอันสั่นพริ้อยอยู่ในสำนึกที่ลึกลำและเลือนเหมือนภาพในกลุ่มควันบางๆที่ผุดขึ้นมาจากอั น, นาจแห่งอาถรรพ์ฉะนั้นร่างที่นอนอิดโร ย, โยอยู่บนเตียงแม้จะสูบสีดแต่ก็ยังมีริ้วรอยแห่งความงามเลืออยู่อย่างสดุดตาโดยเฉพาะที่ดวงตาซึ่งเพ่งมองมายังหมอชีวกนั้นมีแววประหลาด สามารถปลุกความรู้สึกนิจมบูชาให้เกิดขึ้นในหัวใจได้สตรีคนไข้ผู้นี้เขาได้รับบอกเล่ามาชื่อว่าสารวดีเมื่อคนอื่นเรียกชื่อหลอนในขณะที่หลอนสลบอยู่เป็นนางงามเมืองเป็นดอกไม้ประดับนครที่มีอัติสูข่าแต่เขาไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่จะรุ่งเกินในทํานองนั้นเลย เห็นความสวยของหล่อนยังเหลืออยู่มากแม่อายุจะเข้าเขตห้าสิบแล้วส่วนความรู้สึกของสตรีคนไข้นั้นเล่าเขรู้สึกเหมือนได้เห็นเด็กเล็กๆที่หน้าเอ็นดูคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าหล่อนหล่อนจับตาอยู่ที่เขาอย่างไม่ยอมละวางลืมความทุกข์ตรมานที่มีอยู่อย่างสนิทเธอเป็นใครหล่อนถามขึ้นข้าพเจ้าเป็นหมอเขาตอบ ฉันทราบแล้วว่าเธอเป็นหมอแต่อยากทราบว่าหมอนะัคือใครข้าพเจา้าชื่อหมอชีวโกโกมารพัฒเป็นบุตรของเสด็จพ่ออภัยราชร่างของหล่อนสั่นระลึกขึ้นมาทันทีพึมพำว่าอภัยราชอภัยราชชีวกไม่อาจจะเข้าใจความหมายในคำอุทานอย่างเรื่อนลอยนั้นได้ จึงได้แต่สุดร่างลงริมเตียงเอื้อมมือไปแตะที่ร่างหลอนเบาๆพลางฉลอมเอายาหอมลงที่ริมจมูกของหลอ น, นจนกระทั่งอาการสั่นนั้นยุติลงเขาจึงกล่าวขึ้นอย่างแต่ไม่ได้วยความรู้สึกข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าท่านหมายความว่าอะไรแต่น้ำเสียงของท่านช่างสั่นหัวใจของข้าพเจ้าเหมือนถูกแรงพายุพัดยอดึ บอกสักหน่อยเถอที่คุณป้าว่าหมายความว่าอะไรเธอไม่มีวันที่จะเข้าใจฉันมันเป็นความล้มละลายของฉันเหมือนความตื่นทาลายวิมานในความฝันของคนลับโอ้อภัยราชกํรมเวนอะไรนะที่ทำให้ฉันได้มาพบเธอชีวชีวกรอนหายใจยาวอย่างลึกแล้วก็นิ่งเงียบ สายตาจับอยู่บนเพดานอย่างเลื่อนลอยชีวกมุนมงงเมื่อถูกปล่อยอยู่ในความมืดที่ไม่มีแม้มกระทั่งแสงดาวอภัยราชกรเวรอะไรเนอที่ทำให้ฉันได้มาพบเธอหล่นเพอ้อออกมาหลายวันต่อมาอาการของหล่อนก็ค่อยดีขึ้นชีวกเอาใจใส่พยาบาลหล่อนอย่างใกล้ชิด แม้จะมีคนไข้อื่นที่รอรับการช่วยเหลือของเขาจบเขาก็พยายามปลีกตัวมาอยู่กับหล่อนทุกวันและอยู่ด้วยเวลานานๆไม้แต่กั้นอาการที่เขาจนปัญญาก็คือความเลื่อนลอยอย่างปราศจากความยินดียินร้ายในชีวิตเขารู้จนกระทั่งว่าหลอนไม่ยินดียินร้ายในการพรยาบาบลรักษาของเขาเลย นอกจากความยินดีในการได้อยู่ใกล้ๆเขาเท่านั้นฉะนั้นต่อมาอาการของหล่อนก็ซุดยงอีกเมื่อเขามองหล่อนด้วยตาที่แสดงความหนักใจดูเหมือนหล่อนจะเป็นราวกับนางพลายที่สามารถถายความคิดของเขาได้อย่างถูกต้องฉันรู้ดีจิวกว่าไขของฉันไม่มีหมอวิเศษที่ไหนจะรักษาฉันหายได้หลอนพูดขึ้นมา เขาฟังดูด้วยความรู้สึกที่คล้อยตามจริงสิไข่อย่างเนี้ยไม่รู้จะรักษาอย่างไงเขาก็คิดอย่างเนี้แต่เขาก็ยังไม่สิ้นความพยายามที่จะเอาชนะโรคร้ายเนี่ยเขาฉุกคิดถึงหน้าที่ของแพทย์แพทย์ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รักษาบําบัดโรคทางกายเท่านั้นสมเด็จพระูมพระภาทเจ้าเป็นหมอรักษาโรคทางใจของโลค เคยสอนเราว่าสภารกะติกิจโกงเป็นผู้รักษาโลกของโลกเพราะฉะนั้นทางใจก็ต้องทำการพยาบาทด้วยเขาจึงเปลี่ยนวิธีรักษาโดยใช้ธรรมะของพระบรมศาสดาเป็นโอสตรแล้วเขาก็เริ่มทันทีเขาพูดขึ้นว่าชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงความตายคือที่สุดของความเปลี่ยนแปลง มันเป็นไปตามเรื่องธรรมดาของสังขารคุณป้าแต่กิจอันควรของผู้ที่รู้ตัวว่าใกล้จะถึงที่สุดก็คือการหมั่นระลึกถึงความดีของตนที่เคยได้ประกอบกับมทาเอาไว้แต่การก่อนให้มากๆความดีความดีหรือคนไข้อุทานด้วยเสียงประชดความดีหรือชีวกเธอยังเชื่ออยู่อีกหรือว่า หญิงแพทย์สยาอยากฉันยังจะมีความดีอะไรสำหรับลํำลึกนึกถึงอยู่อีกเล่าเธอไม่ได้คิดดอกรือว่าขึ้นชื่อว่าหญิงแพทย์สยาแล้วจะมีอยู่ก็แต่ความชั่วช้าสารเลวเท่านั้นทุกคนเกิดมามีความดีด้วยกันทั้งนั้นคุณป้าแม้คนที่โรกกล่าวว่าชั่วที่สดุด ก็ยังมีความดีสําหรับตัวเองอยู่บ้างไม่มากก็น้อยและคนประเภทที่โลกยกย่องว่าเป็นผู้ดีมีเกียรติก็ม่ใช่ว่าจะดีซะหมดทุกอย่างแน่นอนเลือเกินเขายังมีความชั่วอยู่บ้างในตัวเขาความชั่วที่เขารู้ได้เฉพาะตัวซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้อย่างท่านเนี้แม้จะถูกโลกประนามว่าเป็นหญิงแพทย์สยากล่าวกันอย่างจริงใจแล้ว ผมเชื่อว่าท่านจะต้องเคยสร้างกุญงามความดีที่รู้สึกได้เฉพาะตัวเองบ้างความดีจชนีที่ไม่คิดฝากไว้กับคำยกย่องสรรเสริญของคนอื่นนั้นต้องมีแน่นอนคำพูดของหมอชีวกทำให้ดวงตาของร่อนแจ่มใสขึ้นมาดวงจิตอ่อนไปตามความหมายของท่อยคำก่อให้เกิดความนิยมเชื่อถือขึ้นในความคิดว่า คนผู้นี้เห็นคนเป็นคนไม่ได้ดูมินเยียดยามความเป็นคนเสเพลซ้ำซ้อนของเราเลยคิดได้อย่างนี้แล้วทำให้หล่อนอบอุ่นเป็นสุขแล้วก็ไว้วางใจที่จะให้เขาได้รู้ถึงกล่มเกล่ยซึ่งทรมานจิตใจของหล่อนมานานแสนจะนานหล่อนยิ้มอย่างยัง่งสแล้วกล่าวว่าฉันอยากจะนั่งสักหน่อย ช่วยฉันทีสิชีวกรีบกุลีกุกจอประคองล่างหลับขึ้นให้นั่งอย่างนุตถนอมด้วยอิริยาบถสบายหลับ <c oughs> หายจะยาวฟังเรื่องราวของฉันบ้างไห ม, ะมะชีวกว่าแล้วหรอก็นิ่งไปชัวนะ่วขณะเธอเป็นคนเดียวที่ฉันคิดว่าควรจะรู้เรื่องราวของฉันและฉันคงจะสบายใจขึ้นชีวก้มหัวนิดหน่อย และก็บอกว่ายินดีที่จะฟังเขาเล่าต่อไปว่าฉันเป็นคนเลวถูกโรคเข้าสมัญญาอย่างเหยียดหยามว่าเป็นหญิงคนชั่วแพทย์สยาเหตุที่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการบำเรอความห่งกระหายของบุลดษไม่เลิกนาไม่ว่าจะเป็นไพรสลเลวหรือผู้ดีมีสักถาหากมีทรัพย์พอจะจ่ายให้ฉันได้แล้วก็เป็นอันว่าต้องได้รับความสนใจทั้งสิ้นจริงของเธอจิวก คนทุกคนย่มีความดีอยู่ไม่มากกว่็น้อยเพราะทุกคนมีโอกาสทําความดีได้เท่ากันแม้คนเลวอย่างฉันก็ย่อมจะมีเวลาสําหรับประกอบคุณความดีอยู่บ้างถึงความดีของฉันโลกจกไม่มองเห็นก็ตามแต่ฉันก็ย่อมรู้ชันเองฉันเชื่อว่าความดีที่บริสุทธิ์แล้วไม่จําเป็นจะต้องหาผู้รับรองที่อื่นเพราะ จิตใจของผู้กระทำย่อมมีความรับรองอยู่เองแล้วฉะนั้นลมปาของมนุษย์จึงไม่สามารถหยุดยั้งสถานาในการกระทำความดีของฉันเสียได้ใครจะมองเห็นหรือไม่เห็นหรือจะยังประนามยามเหยียดฉันอย่างไรก็ตามความจริงการเป็นอยู่ของฉันไม่ได้เที่ยวไปบังคับขู่เกลีหรือมุ่งทำลายใครฉันดิ้นรนไปตามหน้าที่ของสัตว์ที่รักตัว ที่ต้องการอยู่ดีกินดีตามนิสัยของสัตว์โลกเท่านั้นแต่ถึงกระ น, นั้นฉันก็จะยังไม่เคยได้รับความชื่นใจและหนีความรู้สึกที่เห็นว่าตัวเองชั่วช้าอยู่เสมอไม่ได้เพราะฉันมีความหลังความหลังที่ชั่วช้าหลือโหดฉีบกล่อนถอนหายใจและกล่าวเสืบต่อไปคนเรานี้อะไรอะไรก็พอจะพ้น แต่นี้อดีตของตัวเองนั้นไม่มีวันจะผลได้และยิ่งเป็นอดีตที่ชั่วเลวสามด้วยแล้วมันจะเฝ้าสะกดรอยตามอยู่ทุกลมหายใจทีเดียวตลอดเวลานับตั้งแต่ฉันประกอบกรรมอันนั้นฉันต้องไปอยู่อย่างทรมานใจเหมือนมีเปลวไฟจากขุมนรกโผล่ขึ้นมาแลบล่นชีวิตฉันให้ต้องเร่าร้อนอยู่เป็นนิดนืรันดอนขนานั้น ฉันอย่างสาวและหญิงทนงในความเป็นคนรูปงามเหมือนความจองของข้องนางนกปล่อนเฝ้าภูมิใจในความเป็นดาราดวงเด่นแม้จะอยู่ในกลุ่มแห่งหญิงแพทย์สยาคนชั่วด้ว่กันบรรดาบุรุษนิยมพากันมาสมสู่กับฉันมากกว่าคนอื่นที่มีอยู่ในสำนักด้วยเหตุนี้ค่าตัวของฉันจึงสูงเลวแต่ก็ไม่ทา ให้ผู้ประสงค์เรือนร่างของฉันยอดท้อยิ่มาวัด น, นฉันได้ถูกผู้ชายผูขาดจากความเป็นหญิงสาทานจากบุรุษหนุ่มรูปงามและสูงสักพูนในความรู้สึกของฉันเขาเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีสเสน่ห์น่ารักฉันเป็นสุขเมื่อมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดเขาจึงตนนิบัติบำเรอเขาด้วยความรู้สึกหวานเชื่อ ผิดกับได้ปนิบัติคนอื่นๆซึ่งฉันไม่เคยได้รับความสุขอย่างเต็มใจเลยกระทำไปเพียงแต่เป็นหน้าที่เท่านั้นความสุขความหวานที่ฉันได้รับจากชีวิตแบบนี้มันเป็นเหตุให้ฉันลําลึกถึงความเป็นอยู่ที่แล้วแล้วมาอย่างสังเวชและชอกช้ำหัวใจฉันคิดอยากจะเลิกปล่อยตัวเป็นหญิงสาทานสักทีและคิดหวังจะเอาเข้านี่แหละ เป็นที่พึง่งในการเริ่มต้นวิถีทางแห่งชีวิตใหม่ฉันรู้สึกถึงฐานะอันสูงสักของเขาเดีจึงไม่ได้คิดหวังไปถึงว่าจะให้เขายกจ่องเชิดชูฉันขึ้นมาทัดเทียมศักดิ์ของเขาอย่างเปิดเผยคิดหวังแต่เพียงว่าฉันขออยู่กับส่วนหนึ่งในมุมลับๆของเขาขอแต่ให้เขาเป็นหลักพอได้อาศัยลาบโยงชีวิต ไว้โดยไม่ต้องเสเพลเร่รอนต่อไปอีกเท่านั้นต่อแต่นั้นฉันก็ฝันเห็นบ้านเห็นความสุขที่อิสระนึกถึงความรักและความหวานชื่นแล้วก็มีชีวิตน้อยๆ อ, ออกมาเรียกเขาว่าพ่อเรียกฉันว่าแม่และชีวิตน้อยๆ น, นี้แหละจะทําให้ฉันสงบใจได้เขาจะไม่ทอดทิ้งฉัน ฉันจบความฝันได้อย่างอิ่มใจแต่แล้วอนิจจาชีวิตในฝันของฉันก็าทลายลงอย่างแหลกและเอียดเข้าหายไปโดยไม่เคยกลับมาอีกจากไปเหมือนดวงดาวรุว่งที่พุ่งหายไปกลางฟ้าที่มืดสนิอโอชีวิตของฉันไม่มีความสุขหลือติดค้างอยู่เลยนอกจากน้ำเสียงที่ขาดหายไป คลื่อในความรันทดได้ ว, วิ่งขึ้นมาประทะ อ, อกหัวใจหัว อ, อกของหล่อนหายสะท้อนใจอย่างน่าสงสารฉันตั้งขัดโดยที่เขาไม่มีโอกาสได้รู้เลยชีวิตที่กำเนิดในร่างของฉันเท่านั้นที่เป็นเศษหลงเหลือจากความสุขและสดชื่นในความรักตลอดมาฉันเฝ้ารอคอยเขาอยู่อย่างหมดหวังความหมดหวังในชีวิตทำให้ฉันคิดว่า ฉันต้องอยู่อย่างเสเพรอีกต่อไปตามเดิมแล้วในที่สุดฉันก็คลอดชีวิตนั้นออกมาเป็นชายฉันมองดูเลือดในอกของฉันอย่างปลาจากความรู้สึกหัวใจที่ด้านชาอยู่ด้วยความโตรนัสผิดฝังทำให้ฉันไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่ารักลูกหรือไม่สำบังขณะวิญญาณแห่งผู้ผีปีศาจได้เข้ามาครอบงาจิตใจ พล่ำกระชิบอยู่ในสํานึกว่าลูกเป็นภาระลูกเป็นภาระข้าทิ้งเสียเป็นเครื่องกีดขวางความสําเร็จสำํำราญความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตใจของก๊อมโดยเฉพาะในบ้านแพทย์สยานั้นไม่ยอมให้เลี้ยงลูกผู้ชายเกิดลูกผู้ชายต้องค่านอกจากลูกผู้หญิงเท่านั้นคุณพระช่วย ฉันได้รับคำสั่งกระทันหันจากเจ้าสำนักว่าให้ฉันฆ่าลูกของฉันเนื้อแท้เดี๋ยหัวใจนั้นรักลูกอย่างเหลือกเกินไม่สามารถที่จะทำตามคำสั่งนั้นได้แม่หัวใจฉันจะกลายเป็นยักษ์เป็นมารอย่างไรก็ตามวิญญาณของความเป็นแม่ก็เกิดฉันใจไม่แข็งพอที่จะเห็นลูกขาดใจลงไปเพราะน้ำมือของตัวเองฉันทำไม่ได้หัวใจของฉัน กำลังถูกครื่นแห่งความรักและความเห็นแก่ตัวซัดซาดอย่างปันป่นป่วนอัละเวงในที่สุดเกิด น, นั้นเมื่อผู้ปกครองเห็นชัดไม่ยอมจัดการกับลูกไปตามประสงค์จึงให้ผู้ชายคนหนึ่งร่างกํายําเข้ามาพร้อมกับปู่เขาบอกว่านี่ในแม่ตัวดีอย่าดัดจริตใจอ่อนอยู่เลยมอบมันให้เจ้าคนนี้ไปจัดการก็แล้วกันพลานชี้ไปที่บุรุษร่างนั้นเหมือนกับจัก แล้วก็สะบัดกายเดินออกจากห้องไปชัดมองดูลูกที่นอนแบ่เบา อ, อยู่ข้างๆแล้วกลับไปมองเจ้าร่างยักษ์ที่ยืนอยู่ใจชัดหายบู๊เมื่อเขาก้าวใกล้ก็มาสุดนั่งลงข้างๆลูกแล้วจะรวบเอาร่างแดงๆนั้นฉันตะโกนห้ามอย่างสุดเสียงเขาชะเง้อชะนักมองฉันตาปิดๆเสะยะยิ้มอย่างน่ากลัวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นหัวเราะเมื่อฉันประคองลูกไว้กับอก และเบิดเสียงหัวเราะออกมาแล้วก็ร้องไห้อย่างบ้าคลั่งรั้นท้องจนคนที่อยู่ข้างนอกพากันแห่เข้ามาดูแล้วในที่สุดฉันก็ไม่สามารถที่จะเอาลูกไว้กับอกได้ต่อไปเพราะน้ําเสียงของทุกๆคนที่เข้ามาเยืนดูเหตุการณ์ไม่มีสักปากเดียวที่จะเข้าข้างฉันเลยฉะนั้นฉันจึงต้องยอมแพ้แต่ก็ได้บอกให้เจ้ายักษ์คนนั้นว่า แกอย่าฆ่าลูกฉันนะเอาไปทิ้งไว้ที่แห่งใดแห่งหนึงก็พอแล้วฉันได้ยื่นเงินใส่กระจ้าใส่กระจากยกใกล้ตัวลูกแดงๆหนึ่งพันกระหัปะนะเพื่อเป็นศีลบทจะเอาลูกฉันไปฆ่าจึงเอาลูกฉันไปทิ้งไว้แห่งใดแห่งหนึงก็พอแล้วใจก็นึกภาวนาอยู่ว่าถ้าบุญของลูกยังมี ก็ขอให้ลูกได้ไปสู่สายตาของผู้มีจิตเมตตาสักคนเถิดสาธุขอให้เทวดาฟ้ า, ฟาดินผู้มีทิพย์ประนันจงคุ้มครองลูกของข้าด้วยเถิดขอให้ผู้มีเมตตาคนได้มาพบแห็นก่อนที่ยักษ์ตนนั้นจะผาเลือดในอกของฉันออกไปจากห้องฉันร้องไห้เหมือนใจจะขาดวิ่งเข้าไปตามเพื่ออยากจะกอดลูกได จมพิษที่ใบหน้าของลกูกฉันเปิดผ้าออกมาคุณพระช่วยฉันร้องไห้เหมือนใจจะขาดฉันได้เห็นแววตาอันดำสนิทที่ปราศจากเดียงสาแต่มันมองฉันอย่างวิงวอนขอความเมตตาเหมือนกับจะขอร้องแม่อย่าฆ่าลูกเลยมันบาดลึกเข้าไปในหัวใจของฉันและรอยปานสีแดงรูปประหลาดที่ใต้คางของลูกนั้นเล่า ก็ชัง น, น่าสะเพงกลัวอย่างเหลือเกินจนสุดที่จะทนดูดได้เหตุการณ์ต่อไปฉันจำได้แต่เพียงลางๆเมื่อฉันร้องวีดออกมาแล้วฉันก็หน้ามืดไม่รู้สึกตัวฉันเป็นลมต่อมาก็ได้รับการเอาอกเอาใจใหม่จากแม่เล้าและเพื่อนนางลมทั้งหลายฉันหายวันหายขืนร่างกายสมบูรณ์แต่ก็สมบูรณ์เพียงกายเท่านั้นใจฉันยังพลิการ และลึกถึงใบหน้าลูกน้อยและอรอยปานแดงสัก์ที่ใต้คางลูกอสรพิษหลายนั้นเล่าต่อมาร่างกายสมบูรณ์ฉันได้คลอดลูกออกมาอีกคนหนึ่งเป็นหญิงชื่อสิลิมาฉันเลี้ยงสิลิมาอย่างดีต้องการให้ศิลิมาเป็นคนดีไม่อยากจะให้มีชีวิตยอย่างฉันแต่เสร็จแล้วก็เหมือนฟ้าแช่งแผ่นดินสาบสิริมาต้องมาเดินตามเส้นทางแห่งนรกเป็นหญิงโสเพณีนางโลมสกรปรกเหมือนแม่ โอ้เทวดาฟ้าดินใช่ไหมปตาเนย่ยังไรก็ตามฉันก็มีความรักตามประสาแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันฉันก็ระลึกถึงลูกคนนี้แหละเป็นที่ยึดเหนี่ยวแม้เราจะเป็นคนที่ดีกับเขาไม่ได้เราก็ยังเห็นหน้ากันไปตามประษาแม่แม่แมลูกลูกที่อยู่ในโลกของตนตามลำพังดิ้นรนไปตามวิสัยของชีวิตที่อับ